เมื่อวานหลวงพ่อเห็นว่ามีเวลาว่างถามไปทางผ อ, อ, อว่าหลวงตาอยู่วัดไม่ได้ไปไหนได้สองวันแล้วก็เลยเมื่อวานก็เลยเขาไปกราบคารวะท่านเขาไปกราบหลวงตาพราะอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็ได้จตุปัจจัยถวายปัจจัยกฐิน เราก็ได้นำเข้าไปถวายท่านองหลวงตาเป็นบางส่วนแต่ตาไม่จริงก็ยังมาไม่ครบหรอกเพราะมันเป็นเช็คเลียกเก็บต้องใช้เวลาอีกนานอย่างน้อยเกือบสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาโดยมากก็สองอาทิตย์กว่ากว่าบางทีมันกว่านั่นดกเมื่อวานก็เลยเข้าไปกราบคารวะท่านท่านคุณรู้สึก อ่อนเพรียตามปกติผู้สูงอายุปัจจัยในวัดของพวกเราเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้อปัจจัยถวายหลวงตานะปัจจัยในนามวัดของเราถวายช่วยตึกสงอาพาสหลวงตาสองแสนแล้วก็ถวายให้หลวงตา ใช้ตามอัธยาศัยแต่มีผู้สมทบด้วยแล้วก็ของเราด้วยรวมเป็นแล้วเป็นสามแสนสองหมืนบาทรวมแล้วถวายลงตามเมื่อวานห้าแสนสองหมื่นบาทแต่โดยมากที่หลวงพ่อถวายลงตาเนี่ยลงตาจะไม่ค่อยประกาศไม่ค่อยบอกนะท่านได้เก็บแล้วแต่เก็บปั๊บอย่างเมื่อวานเหมือนกันแต่ตามปกติถ้าหลวงพ่อไปอยู่ตามลําพัง อยู่กับท่านน่หลวงพ่อถวายปัจจัยท่านก็ยกขึ้นมาอ่านเปิดดูแต่ถ้าว่ามีคนมาเนี่ยหลวงตาจะเก็บเงียบไปก่อนเนะลยหลวงตาเนาะเก่งจริงๆนะหลวงพ่อว่านะถ้าหากว่ามลรงพ่อเอาไปถวายในะคู่คนมากๆในงานต่างๆนะท่านจะมองหลวงพ่อนะท่านก็คงเยาว่า จะประกาศทำไมลักษณะอย่างนั้นนะใค่ขตอตาท่านมองมองดูแต่ถ้าอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันพอถวายเสร็จแล้ว ก, ก็บอกว่าเช็ดอยู่ในซองสีน้ำตาลนี่ก็ผมเราก็ไม่ได้บอกเป็นภาษาเราก็มีแต่ซีว่าถวายท่านแล้วก็เช็ดอยู่ในซองนี่ท่านก็เก็บพอลงมามีคนเข้ามาแล้วก็นั่นน่ะ อยู่ก็ทัานนานอยู่เพราะว่าท่านอาจารย์ท่านก็ป่วยเข้ามาพอดีในช่วงนั้นแล้วก็เลยรายงานหลวงพ่อก็เป็นคนพูดเพราะท่านพูดเสียงไม่ดังท่านมาได้ยินเสร็จแล้วก็เลยกราบท่านลงมามาก็เลยมาบอกพระเออปัจจัยอยู่ในเช็ดดาบอยู่ในซองนั้นอะ่ะห้าแสนสองหมื่นเด้อเดี๋ยวกลัวลงตายจะลืม พระท่าบอกหลวงตาไม่ลืมนะหลวงพ่อเออถ้าไม่ลืมก็ไม่เป็นไรท่านจะช่วยดูจากนั้นหลวงพ่อก็เลยกลับมาเมาื่อวานมาถึงวัดก็ยังไม่ค่ําเลยอันนี้คือจะถูกใจัยถวายองหลวงตาแต่ก่อนหน้านี้ก่อนกรถินหลวงตาพวกเราก็เข้าไปถวายถวายขานั้น รวมกระถินของท่านสามแสนบาทนะก่อนที่กระถินแต่พวกเรามาถวายอีกครั้งนงอีกห้าแสนสองนี่แหละอันนี้ก็คือการบูชาพระคุณขององค์หลวงตาที่พวกเราเป็นวัดว า, าศาสนาขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เพราะพระคุณของท่านเราปฏิบัติบูชาด้วย อามิจบูชาด้วยปฏบิบัติบูชาคือเราเป็นพระอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยไม่ให้เป็นที่หนักใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนโดยเจตนาดีเราไปอยู่นสถานที่ใดเราต้องมองดูหลังข้างหลังว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราหน่หลวงปู่หลวงตาของเราเสอนเราอย่างไรเราจะไปออกนอกลูก่นอกทางไม่ใช่ไว ต่อหน้าท่านก็ย่างหนึ่งรับหลังท่านก็อย่างหนึ่งอย่างนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้พวกเราต้องเนี่ยปฏบิบัติบูชาตามแนวแถวที่ท่านที่เราได้อบรมมาได้ศึกษามาส่วนอามิชชาเมื่อเราได้จิตตุปัจจัมาโดยทำรรได้มีญาติโยมถวายมาอย่างเนี้ยเราก็แบ่งไปถวายท่านเพื่อท่านได้ใช้ ท่านก็จะใช้แน่ๆพอวัดใหญ่ขนาดนั้นผู้เกี่ยวข้องก็มีมากลูกศิษย์ลูกหาศรัทธายาตโยมมาเกี่ยวข้องการดูแลของท่านท่านก็เป็นผู้จิตใจรุงตามีเมตตาจิตใจกว้างขวางอีกต่างหากสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โรงพยาวาโรงร่ำโรงเรียนสถานที่ต่างๆที่ขนยากจนเมื่อเราในฐานะลูกหลานแต่จะตุปัจมากเออ เอาเข้าไปบูชาถวายท่านเผื่อท่านได้ใช้ในเมื่อเรามีความจำเป็นอย่างกำแพงอย่างนี้สะน้ำอย่างนี้เขื่อนอย่างนี้ท่านให้มาเท่าไหร่เราต้องคิดท่านให้เรามาเท่าไหร่ยี่สิบกว่าล้านเขื่อนเท่าไหร่เกือบสิบล้านสะน้ำเท่าไหร่ อันนี้ก็คือพระคุณของท่านที่ ท, ท่านเมตตาให้พวกเรามาแต่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรท่านให้ด้วยน้ำใจโดยเมตตาของท่านท่านสงเคราะห์ที่อื่นๆ ก, ก็เช่นเดียวกันกับท่านสงเคราะห์พวกเราในเมื่อพวกเราได้จตุปัจจัยมาพวกเราก็บูชาพระคุณของท่านนี่แหละคืออามิชาไม่ว่าที่ไหน แต่หลวงพ่อช่วงนี้หลวงพ่อก็เอาไปถวายบ่อยเอาไปถวายบ่อยเพราะเรารีบไปทำไปทำเอาวัดของเราวัดของเราที่ได้มาแล้วกันนะร่วมๆกันรีบไปทำไปทำทำกับหลวงตาสร้างบุญกับหลวงตาทำบุญกับหลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพระเนรูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกคู่ทุกลูกทุกคนนอะอนุมโมทนาในเจตในจิตในใจ หนุ่มทนานในใจเพราะจะตุปัจจัยที่หลวงพ่อเคยประกาศไว้น่ะไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะเป็นปัจจัยของพวกเราทุกขู่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องะเมื่อใดมาแล้วก็บูกช้าพระคุณลุงตาแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงงานกรถิ่นมื้อเช้าหลวงพ่อก็บินทบาทสายไปสักหน่อยเพราะตรวจเช็คดูรายการที่กิจนิมนต์มัน มันซับซ้อนกันเหลือเกินไม่รู้จะเอาอยัางไงอย่างวันที่หกเนี่ยครับกรถินบ้านเพิ่มกรถิ่นท่านยงแล้วก็วันที่เจ็กรถินหลวงปู่เพียนแล้วก็มีคนจะมาวัดหลวงพ่ออีกนะตั้งห้ารถบัสนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเตรียมน้ําขงน้ําแข็งไว้สักหน่อยก็ดีเนอะจาว่าเขาไม่มาทานอาหารกับเราเขามาประมาณสักสิบโมงแต่ถ้าเผื่อมีอะไรก็ มีอะไรเลี้ยงเขาสักหน่อยก็ดีเหมือนกันน่ะถ้ามีของที่จะเลี้ยงนะพวกน้ำสมน้ำหวานโ ก, โกโก้โ ก, กาแฟมีไหมทําให้มีก็ไม่เป็นไรแต่คนมามากนะห้ารถบัสแต่หลุงพ่อก็ยังเป็นสองจิตสองใจเหมือนกันถ้าว่างานหลวงปูเพียนเนี่ยถ้ามีการสวดมนต์เย็นหลุงพ่ออาจจะไปตอนเย็นตอนเช้าจะอยู่ที่วัดเพราะคนมาวัดทั้งห้ารถบัสเนี่ยแล้วจะไปนหนีอย่างไงมาพิจารณาดูแล้ว มันก็น่าคิดเองเหมือนกันนะมาจากสมุดสาครสงครามหลงพ่อจะอยู่วัดวันที่เจ็ดแต่จะบอกไปทางอาจารย์ปิทูลไว้ก่อนก็ได้เมันเราต้องแบ่งความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอันนั้นจำเป็นไหมกระจำเป็นถึงจะจำเป็นก็เป็นคนหมู่มากถึงอย่างไรไงก็ชุมชนอยู่กลุ่มใหญ่อยู่แล้วถ้าขาดหลวงพ่อสักองคหนึ่งก็คงไม่เป็นไร พระหลวงปูปุ่นมีก็เป็นประธานอยู่ที่นั่นแล้วแต่หลวงพ่อก็มีแขกคนมาที่วัดนะเราก็ควรจะดูดูแขกคนศรัทธาญาติโยมมาจากถิ่นไกลทามาไม่เห็นสมทานไม่เห็นเจ้าอาวาสที่เขาบอกมาทั้งนมนานแล้วเราหนีไปซะอย่างนี้พอดูดูแล้วมันก็ยังไงเสียความรู้สึกพูดง่ายๆเหมือนกับเราใจตืดใจดาใจแห้งเกินไป แต่ท่านเราจะบอกไปก่อนเขาก็บอกว่าถึงยังไนเขาก็จะมาอยู่แล้วเพราะว่าพระเที่เคยมาเก็มาบวชบวชที่วัดเราหรือเปล่าก็าไม่รู้หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามแต่ท่านมาอยู่หลายปีนะท่านมาอยู่ที่นี่หลายปีเงียบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระเที่ทำไมท่านอยู่แบบเงียบๆท่านไม่ได้สนใจอะไรเงียบอยู่ของท่านแต่ที่ไหนได้โหท่านเป็นหัวหน้าทีมใหญ่การทําบุญ วัดต่า ง, างๆทามาเกือบยี่สิบปีแล้วในภาคอีสานนะท่านก็มาอยู่ที่นี่ เ, เงียบๆท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่ก็ยังระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่ออยู่แต่จากนั้นท่านไปก็หายเงียบอยีกเหมือนกันนะวะ่ะเพิ่งมีจดหมายโผล่มาเลนะมาจากสมุดสากรสงครามนีน่และแล้วกับวันที่เจ็ดตอนเย็นจะมีเขานิมุนหลวงพ่อไป เทศอยู่ในอเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครงานศพของหลวงปู่แฟบว่าปปงั้นโอ้ถ้าจะไปตามกิจนิมนต์น่ะหลวงพ่อเนี่ยคงจะไม่ได้ไม่ได้อยู่วัดมั้งงั้นแต่เติดเปิดเปิงเขาจะเรียกว่าหลวงพ่อตเตลิดมั้งงั้นแต่บางสิ่งบางเรื่องบางกิจนิมนต์หลวงพ่อจะต้องบอกกล่าวไปว่าปฏิเสธไปแต่ตามไม่จริงอยากไปอย่างที่ เจ้าภาพเขานีมน่มลนะเขคงไม่ไหวแล้วสุขภาพหลวงพ่อถ้าเดินทางไปบ่อยก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันแปรปวนไปหมดเหมือนกันทั้งเป็นวัดด้วยทั้งอะไรด้วยอายุถึงขนาดนี้มันไม่ใช่ของสนุกน่าจะไปที่ไหนให้พักผ่อนอยู่ในวัดกดีที่สุดอยู่ตามลําพังแต่จะทํายังไงได้พวกเราอยู่ในชุมชนสังคมก็ต้องใจเขาใจเรา มีหมูมีเผื่อมีพวกมีหมูมีคณะนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราพ้าน้อยผ้หนุ่มลุกองนะ่ะอย่าไปกระเสือกกระสนกระตือรือร้นอไปหาเที่ยวนั่นไปหาเที่ยวนี่ให้เที่ยวอยู่ในกายยนครของตนเองนะให้ค้นรู้สิกายยนครตนเองนะคืออะไรตั้งแต่หัวจดเท้านะ่ะให้เที่ยวอยู่ในนันนี่แหละคือเที่ยวกรรมาฐาน ถ้าเที่ยวที่อื่นมันเที่ยวนอกออกนอกสงออกนอกมีแต่ความทุกขนะ์น่ยจะเข้ามามีแต่ทุกข์สมุทยนะัยเนี่ยจะเข้ามาถ้าเที่ยวอยู่ในนี่เน่นะเป็นมรรคจะเป็นนิโรธในที่สุดเที่ยวในสติปปฐฐานสีเนะี่ยเที่ยวในกรรมาฐานเนะี่ยเที่ยวท่องอยู่กายยนครเนะ่มหานครอันใหญ่เนะี่ยมันหลงที่ไหนมันสงสัยที่ไหนเที่ยวดู คนดูตรวจดูในกายตัวเองอย่าหลงนะใจนะถ้าไม่หลงกายเท่านะั้นแหละไม่หลงอย่างอื่นถ้าหลงกายอย่างเดียวท้าหลงหมดอะไรก็หลงหมดที่เข้ามาเพราะนั้นอย่าวันไหวไกวแขว่วงถ้าผู้อยากจะพ้นทุกข์นะเว้นเสียถ้าอยากจะลอยตามโลกก็ไม่ว่ากันนะไปเลยตัดหางปล่อยวัดไปเลยถ้าวาใครอยากจะพ้นทุกข์นะให้ให้ดู ให้เที่ยวอยู่กรายนาครเนี่ยถ้าจะลอยตามโรคก็ไม่ว่ากันไปหาไปเลยที่ไหนมีข้าต้มขนมมากๆงาน เ, อเยอะๆไปเล ย, ไ ป, เลยไปช่วยงานอยู่เรื่อยงานกิเลสอยู่ในใจไม่เห็นช่วยไปให้ช่วยงานทั้งนอกนะชาวหน้าชาวหลังเหมือนกับคนขาดสติเพราะฉะนั้นพวกเราคิดนะอบางแห่งบางองค์เห็นหมูมากๆเห็นหมูน้อยๆว่าวีอ้างว้าง อยากจะโดดหนีพอโดดหนีไปแล้วก็โดดจะกลับมาอีกแปลว่าจิตใจไม่มีหลักเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวมาบุญคุณโทษอยู่กับตัวเองนรกสวรรค์อยู่กับตัวเองจะไปเดือดร้อนกอดไปกับใครถ้าคนมีธรรมในใจคนมีหลักใจแล้วจะไม่หวั่นไหวใครจะไปก็ไปเถอะใครจะไปที่ไหนก็ไปถ้าไปดีอนุโมทนาสาธุ ถ้าไปเร็วเอออย่าเข้ามาให้เห็นหน้าอีกถ้าไปเร็วไปไม่มีกฎมีเกณฑ์ไหนอย่ามาให้เห็นอีกหนีไปไกลๆฮะถ้าไปดีละเ อ, อ้านมโมทนาสาธุฮะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้จิตใจมั่นคงนะจิตใจเข้มแข็งนะยึดแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเห็นไหมถ้าว่าเราไม่หวั่นไหวไกวแกว้งท่านนะเราเป็นหลัก จิตใจมีธรรมท่านนั้นอ่ะอันไหนก็หลังไหลเข้ามาไม่ต้องห่วงถ้าหากว่าเราจิตใจไม่มีหลักนะโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาผัวนิสูกก็ะหาหลักจิดกดเกณฑ์ไม่ได้เสียไปหมดเลยไงมันเสียตัวเองท่านันอ่ะเสียหมดทุกอย่างถ้าได้ตัวเองท่านนั้นอ่ะสิ่งไหนก็ไหลเข้ามาวันนั้นเราไม่ต้องคิดหรอกเรื่องลาบเรื่องยศไม่ต้องคิดให้ยืนอยู่นิ่ง ให้สงบสงบให้มองตัวเองให้จิตใจมีธรรมให้จิตใจมีหลักสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องห่วงพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเราต้องรักษาธรรมทำอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราศีล ส, สมาธิปัญญา ศีลธรรมศีลธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิสุทธิธรรมธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนรวมแล้วจะเป็นธรรมทั้งนั้นน่ะนํามาคิดนํามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลในจิตในใจของพวกเราแต่ใจของเรายึดมั่นในธรรมแล้วพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่คนเดียวก็เป็นสุขอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เป็นสุข อยู่นสถานที่ใดๆก็เป็นสุขเพราะใจของเรามีสุขแล้วแต่ใจของเรามีทุกข์ทุกอย่างแล้วเดียวนะนะั้นแหะยื่นจะขึ้นจะโหลดดาวเทียมขึ้นไปอยู่ะจันทรดวงดาวดวงเดือนไหนก็เถอะไปทุกข์อยู่ที่นั่นแนะหละเพราะฉะนั้นสุขและทุกข์ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจจะทํายังไงใจจริงจะเป็นสุขถ้าคนควาศึกษาตามแนวแถวพระพุทธเจ้าพราะแม่ครูบาอาจารย์ แนะนำบอกกล่าวแล้วนะพวกเราจะเจอความสุขอยู่ที่ใจนะถ้าออกนอกรูกนอกทางแล้วย่าหวังนะมีแต่ความเดือดร้อนฟุนวายนะนะรับพรนะธุ โ, โมธนาให้พร